ตอนนี้ไปก็จะขอนำประวัติที่เรียกร ว, ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างมาแสดงให้บรันรดาท่านหลายได้รับทราบแต่ว่าบุคคลตัวอย่างนี้วันนี้จะไม่นำพระสูตรมาเล่าสู่กันฟังผมจะนำเรื่องราวที่ผมผ่านมาเองมาเล่าสู่ท่านฟังเพราะว่าด้านพระสูตร มีหลายคนที่พูดในฟังว่าไม่เชื่อพระสูตรบางรายก็ถือว่าเป็นคนสมัยโบราณเล่า น, านิทานเป็นการนั้นเล่านิทานสู่เด็กฟังหาเหตุหาผลไม่ได้แต่ความจริงเรื่องพระสูตรนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดเองแล้วก็บรรดาพระอาราม น, นั่นหลายก็พยายามรวบรวมกันไว้ แต่สูตรบางสูตรบางทีในสมัยที่เดรัจฉีเข้ามาค้อความคือว่าพวกเดรัจฉีเข้ามาแทรกแซงบทในพระพุทธศาสนาก็นําเรื่องราวที่ไร้สาระไร้ประโยชน์เข้ามาแทรกแซงไว้ก็มีมากเหมือนกันแต่นั่นเราจะพิจารณาได้าจากเหตุจากผลถ้าเรื่องที่นํามาแทรกแซงนี้จะมีเหตุมีผลน้อย บางรายก็ไม่น่าเชื่อเลยอย่างเรื่องของพระวินัยบางเรื่องถ้าเป็นพุทธพจน์ทบทพระบาลีก็เชื่อได้แน่นอนแต่มาเราสำหรับอัจฉริยอาจารย์ที่ปเป็นแนวทางที่พระอรหันต์อธิบายก็พอเชื่อกันได้แล้วก็มีเหตุมีผลดีถ้าไปพวดดีกาอาจารย์เกจิอาจารย์ก็คบยากเต็มที ดีกาอาจารย์ที่ดีก็มีแเจจีอาจารย์ที่ดีก็มีาามแต่ที่เลอะเทอะก็มีมากอย่างในตัทยสามนแก้เรื่องอายุครบของคนตายแล้วไม่ตายไว้เอาเศ้าเรื่องไม่ได้เลยที่สาหรับเรื่องนี้ต่อไปชื่อว่าท่านฟังเรื่องนางประตาจารามาแล้วก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลาย คงจะจดจำและมีความรู้สึกในเรื่องกฎข้อกรรมในได้เขา น, ขนามปรตตาจาราได้ดีให้อีกบรการหนึ่งเรื่องของทุกนาริยสัตว์เรื่องของนามปรตตาจาราชี้ชัดในเหตุผลและก็ธรรมะที่องสมเด็จพระทศสุคุณทรงแนะนำที่เราเรียกกันว่าไตรลักษณ์ญาณ เพื่อนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเป็นความทุกข์อนัตตาต้องสลายลงไปในที่สุดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเรื่องข้านางบาตาจาราก็เป็นรูดอย่างดีแล้มาในเมื่อตะขันขั้นสุดท้ายคนที่มีเชื่อฟังคำ ส, สอนของสมเด็จพระชินสี ในที่สุดใช่ปเป็นยานิดหน่อยอย่างนางปตาจาราก็เป็นอรหรันได้หมดทุก <c oughs> เป็นอนุวาประวัติความเป็นมาของนางปตาจาราถ้าบรรดาท่านนักปราชญ์ทั้งหลายจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกียงขึ้นมาทีหลังก็ช่างเถอะแต่ได้ว่ามีเหตุมีผลพอการฟังการอ่านการศึกษาต้องใช้เหตุผลเป็นสำคัญ อย่าใช้แต่สัญญาจงมีปัญญาประกอบด้วยสำหรั บ, บเรื่องที่ท่านจะฟังต่อไปนี้เรื่องของผมเองผมขอยืนยันทุกอย่างเพราะว่าเป็นเรื่องที่ประสบมากับตัวเองนั่นก็คือความตายของผมผมเป็นคนเคยตายแล้วก็ตายมาแล้วหลายวาระ ทางนี้ก็เป็นหน้ของกฎคุ้มกรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าปานาติบาตปาณาติบาต ท, ที่ไม่ใช่ชาตินี้ชาตินี้ผมฆ่าสัตว์น้อยตัวเต็มทีถ้าจะประมวลสัตว์ที่ถูกฆ่าทั้งหมดไม่เกินสิบตัวโดยเจตนาแต่ถ้าว่าสำหรับเรื่องคนชั่วเป็นโจรนันอีกเรื่องหนึ่งต่างห า, ทากทำก็เพรเหตุผลเขา ทั้งหลายเหล่านั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่บรรดาที่น้องโภชนแต่แล้วเขาไม่กี่คนคนทุกคนไม่สูกสมัยนั้นผมเป็นเด็กผมมีความคิดเห็นว่าถ้าเราฆ่าเสือตายหนึ่งตัวสัตว์เล็กๆในป่าจะมีความสุขเป็นสุขนับหมื่นนับแสนเจ้นั้นคนที่ประกาศตนว่าเป็นคนผมก็ไม่เคยทำไมเขา ถ้าคนเรลกรัดตนว่าเป็นมนุษย์ผมก็ไม่เคยทําอะไรแต่ว่าคนที่เรลกาศตนเป็นเสือนี่ผงสังหารมาสามสิบศพเศษ็จทผมบอกแล้วในว่าถ้าฆ่าเสือตายตัวหนึ่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เคยถูกเสือเบียดเบียนนับหมื่นนับแสนจะมีความสุขก็เพื่อประโยชน์ความสุขของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ได้ทําลายเสือเสียแต่ว่าเสือที่ทําลายเป็นเสือ สองขาแล้วมีสองมือนี่กรรมที่ต้องทำให้ผมตายอาจจะเป็นอุปคาตกรรมในด้านนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอุปคาตกรรมในด้านอาดีตก็ได้แต่ว่าสมัยตายครั้งก่อนกรรมที่สังหารคนรายยังไม่มีเพราะยังเป็นเด็กอายุเพียงติสองปีท่านฟังไปแล้วก็ค่อยๆ ค, คิดด้วย ผมไม่ใช่จะนำมาบรรลุนทํานองที่เรียกว่าเล่านิทานสู่กันฟังต้องการให้ท่านฟังเพื่อการศึกษาคือว่าในสมัยเป็นเด็กก่อนจะตายก็ต้องพูดประวัติสักนิดหน่อยเมื่อผมบอกประวัติท่านไปแล้วท่านจงยามายกย่องสรรเสริญผมว่าเป็นคนดีแต่ความจริงอาการอย่างนั้นไม่ใช่อาการของศรัทธา ยังไม่ใช่คนดีหรือว่าท่านแม่ของผมเป็นคนหนักพรนด้านบุญกุศลเป็นคนเจ้าระเบียบความจริงการศึกษาของท่านไม่ดีไม่เด่นอะไร <c oughs> ถ้าพูดเรื่องการศึกษากันแล้วรู้สึกว่าพวกท่านสู้เราเรากันไม่ได้เราศึกษากันมาดีกว่ามากและก็อย่าลืม เพื่อการศึกษาที่เราจะได้มาอาศัยจากทุนของท่านน้ำพักน้ำแรงของท่านญาติเนื้อแรงงานของท่านท่านเป็นผู้ประการะทั้งชีวิตทั้งด้านความรู้และความประพฤติดังนั้นพ่อแม่ของผมผมถือเป็นสระนะใหญ่เวลาจะไปไหนผมต้องไปไหว้พ่อไหว้แม่ก่อน ก่อนที่จะไหว้คนอื่นถ้าพ่อแม่ไหว่อยู่ตรงนั้นผมจะต้องไหว้พ่อไหว้แม่ของก่อนไหว้คนอื่นเว้นไว้แต่เพียงว่าถ้ามีพระอยู่ที่นั่นผมก็ไหว้พระก่อนทางนี้ผมก็ต้องดูเสี ก, ก่อนว่าพระองค์นั้นนเป็นพระหรือเปล่าหรือว่าผู้อุปสมบชีวิกาที่บทอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีวิตเอาพระศาสนาเป็นบันไดก้าวไปประกอบอาชีพ คนพวกนี้พระคนนี้ผมยังไม่ไหวก่อนผมก็จะต้องไหวพ่อไหวแม่ผมก่อนผมถือว่าพ่อแม่ผมมีความสาคัญกว่าแต่ว่าถ้าพระที่ท่านดีจริงๆผมก็ยอมไหวด้วยความเคารพนี่เรามาว่างว่ากันถึงระเบียบตอนนี้ระเบียบไม่สมัยเมื่อตอนเด็กๆผมถูกพ่อแม่สอนมาแบบนี้ นับตั้งแต่พูดยังไม่ค่อยจะชัดวิ่งยังไม่ถนัดพอนเดินได้ก็คล่องหรือไม่คล่องก็ไม่แน่นัก <c oughs> ความจํามันจําได้ว่าก่อนจะนอนคือว่าเวลากลางคืนท่านแม่บูชาพระทุกคืนตัวค่ําแล้วก็เช้ามืดอีกครั้งหนึ่งเวลาท่านบูชาพระท่านก็เรียกลูกทุกคนนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะผม เข้าไปร่วมการบูชาพระโดยเมื่อท่านตัวจุดทูบเสร็จท่านก็นำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธ พ, พกวาพุทธทางพกวันตังอภิวาเดมิยงนี้อย่างที่เราว่ากันผมก็ว่าตามแต่การว่าก็เป็นการว่าแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่ว่าจะมีปัญญารู้เรื่องราวอะไรสักนิดหนึ่งก็ไม่มี เพราะว่าไปอย่างนั้นทั้งนี้พ่อไหลพระไม่ว่าเกรงแม่จะตีเสร็จแ ก, กการนมัสการท่านแล้วท่านก็สอนสอนตั้งนโมตั้งนโมจบ ก, ก็ว่าสรณาคมคือพุทธทางธรรมังฆาสรหลังกระชามิที่มึงขอพูดย่อนะสามวาระทุติตาติเหมือนกันหลังจากนั้นท่านก็สอนการสมาทานศีล เมื่อสอยาการสมาทานศีลเสร็จท่านก็นยกโทษยกคุณของศีลว่าเราเป็นคนมีศีลมีประโยชน์ยังไงเราเป็นคนทําลายศียลเรามีโทษแบบไหนท่านก็น ท, ทีที่โทษปัจจุบันการคลมเหงาเขาทํร้ายร่างกายเขาชกต่อยเขาเราต้องถูกมีโทษถ้าเราลักเราขโมยเขาเราก็ต้องถูกมีโทษถูกเชาวบ้านเขาเกลียด จะต้องติดคุกติดตารางข้อแรกเราชกเขาเขาก็ชกเราดีไม่ดีผู้ใหญ่ก็จะลงโทษนำมาเชียนตีข้อที่สามการเมตตาอาจารย์ท่านบอกว่าลูกเขามีเขาอย่ายุง่งเพราะเป็นเด็กรู้สึกว่าข้อนี้ยังไม่สอนมากข้อที่สี่การพูดปดใช้วิจาหยาบยุยงส่งเสริมให้เขาแต่เล่ากัน พูดเรียกว่าทะลึ่งบ่องประเภทที่เรียกว่าไราประโยชน์อันนี้มีโทษทําให้ชา บ, บ้านเขาเกลียดไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยไม่เป็นที่รักของคนถ้าเว้นเสียพูดแต่ความจริงใช่วาจาอ่อนหวานใช่วาจาสุภาพว่าใช้วาจารสร้างความเป็นมิตรใช่วาจาที่เป็นสุภาพสิก็เป็นวาจาที่มีประโยชน์อันนี้คนเขรัก และการดื่มสุราเมีไรเป็นของไม่ดีเป็นอันว่าท่านพ่อก็ดีพี่ก็ดีคนในบ้านทั้งหมดเขาไม่กินเหล้ากันเป็นอันว่าท่านอธิบายฝั่งว่าพ่อเคยกินเหล้ามาในการก่อนแล้วท่านพ่อก็เห็นว่าประโยชน์ใงการกินเหล้าไม่มีมันมีแต่โทษท่านก็เลยเลิกจากการกินเหล้าฉะนั้นถ้าพ่อเห็นว่าการกินเหล้าดีพ่อก็ต้องกินเหล้าต่อ นี่พ่อต้องเลิกจากการกินเหล้าก็เพราะว่าพ่อเห็นโทษใงการกินเหล้าพ่อจึงเลิกเป็นอันว่าท่านพ่อนี่ท่านเลิกจากการดื่มสุราเม่ไรเมื่ออายุยี่สิบปีเสเศจในสมัยที่ พ, พระพุทธงพ่อป่านแล้วท่านชี้โทษให้เห็นอย่างชัดๆนี่ ง, ง่ายๆทุกวันในเรื่องของศีลแล้วท่านก็ บ, บอกว่าตายแล้วจะเป็นเทวดา เทว ด, ดานี่มีสภาพสวยสดงดงามมากหลังจากนั้นเวลานอนก่อนจะนอนให้เราสอนให้ภาวนาว่าพุทโธพูดให้ฟังเสียงดังๆให้ท่านได้ยินสามครั้งเพราะว่าสามครั้งแล้วท่านก็สั่งว่าหลังจากนั้นให้นึกว่าพุทโธจนหลับไปไอ้ตอนนึกนี่เราจะนึกจะไม่นึกท่านไม่รู้วาระนันติของเรา เป็นอันว่าผมก็ฟังไปแต่จําได้เรื่องศีลและเรื่องเรื่องเรื่ศาสนาคมการเคารพในพระพุทธเจ้าการเคารพในประธรรมการพะเคารพในประสงค์เป็นของดีท่านอธิบายเล่าเป็นนิทานให้ฟังทุกคืนรู้สึกว่าพระสูตรต่างๆท่านจําได้มากเพราะว่าสมัยนั้นหลวงพ่อปานเป็นผู้ฉลาด เวลาจะคุยอะไรกับใครก็มักจะยกเอาพระสูตรขึ้นมาเล่าให้ฟังเสมอผมก็จําเรืสูตรได้ดีว่าคนที่มีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในประสงค์มีความดีหลายอย่างเกิดมาเป็นคนรวยบ้างก็ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างเป็นพรหมบ้างและคนที่มีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนดี เป็นที่รักของคนทั่วไปเมื่อเป็นคนอยู่ก็เป็นคนดีเมื่อตายเป็นผีก็เป็นผีดีเพราะว่าเขาก็ยกย่องสรรเสริญว่าคนที่ตายนี่เป็นคนดีจริงๆเวลาที่มีชีวิตอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามีคนรักถ้าเรามีความกระตันญยู่รู้คุณต่อบคุคคลผู้มีคุณถ้าใครเขาจะเกิดสร้างความดีเพื่อเราเ้าก็เต็มใจทา อันนี้ผมก็จําไว้เหมือนกันท่านพูดทุกวันเรื่องคุณคระรันตนทรยัยเรื่องความกตัญญูรู้คุณนล้นก็เรื่องการทรงสินให้บริสุทธิ์การเจริญสมาธิจิตท่านบอกว่าคำภาวนาว่าพุทโธหลวงพ่อปานสอนคนทุกคนใครภาวนาไวา้จิตใจจะมีความสุขจะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป ผมก็ทำมาเด็ดเด็จ ก, ก็ว่ากันยินยามนกแก้วนกุนทองอาศัยที่เกิดความเคยชินในคำว่าพุโทโธก็ขึ้นใจการแสดงความเคารพในพระรัาไตรัยก็ขึ้นใจแล้วการกตรัญญูรู้คุณก็ขึ้นใจอีกอันหนึ่งอภิญญยย ก, กรรมกรรมคือความอ่อนน้อม มีความเคารพในผู้ใหญ่ที่แก่กว่าแม้จะเกิดหนึ่งวันเราก็ต้องยกมือไหวเพราะถือว่าเขาเป็นที่เป็นผู้มีความเจริญรุ่ยอันนี้ก็ทำปฏิบัติเป็นปกติดีไม่ดีไปบ้านไหนเขามีลูกสาวตอนนั้นเพิ่งรุ่นหนุ่มถ้าบอกว่าคนนี้อายุแก่กว่าเราก็ยกมือไหว เล่นเอาเจ้าสาวท่านผู้เป็นสาวมีความอายวิยง่งหนีเข้าห้องไปเลยตอนนี้เป็นเรื่องของท่านการไหวของผมผมไหว้ในฐานะที่ผมมีความเคารพในท่านแม่และท่านพอ่อท่านสอนให้ไห ว, วแล้วเราก็ไหวด้วยความจริงใจเคารพว่าเขาเป็นที่แต่ถ้าว่าท่านสุภาพสตรีที่วิง่งหนีบางทีจะไม่เคยมีใครที่เป็นหนุ่มไล่เลียงกับท่านไหวท่านก็เกิดความอาย แล้วก็วิ่งหนีเข้าห้องไปนี่เป็นเรื่องของท่านสำหรับคำสอนของท่านทุกอย่างเป็นปัจจัยที่ดีที่สุดจะถือกันไปทีก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์่าไปที่ไหนมีคนไว้วางใจอยากให้นอนค้างอยู่นานๆนนอยากให้กินอาหารดีๆมีแต่คนจัดสัานที่ให้เป็นสุข นี่เป็นเป็นเรื่องคำคมสอนของคนแก่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือในการชินในตอนนี้ผมก็อยากคุยฟังสักนิดก่อนจะตายเพราะว่าเมื่อภาวนาว่าพุโทโธต่อมาอาการทุกอย่างมันก็จับใจอย่านั่งจะนอนอยู่ที่ไหนในยามว่างก็ใช้คำว่าพุโทโธเป็นปกติ จะเดินไปไหนมาไหนผมไม่นคนกลัวผีท่านก็บอกว่าพระพุทธนี่กันผีได้เนี่เมื่อในเมื่อผมเป็นคนกลัวผีท่านบอกว่าพุทโธกลัวผีกันผีได้ผมก็กว่าพุทโธเลยไปก็กลัวผีจะให้พระพุทโธเป็นผู้ขับผีเป็นอนวุวาติกติของคนโบราณมีประโยชน์ การทำอย่างนี้จนกระทั่งมีความรู้สึกอย่างหนึ่งบางทีนั่งพอส บ, บายก็เริ่มใจเป็นสุขเื่อนั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อนมีอารมณ์วิวพอมีสุขเดี๋ยววิวคลายตกจากที่สูงนั่นแสดงว่าอารมณ์จิตเข้าถึงพระธรมชาญแต่มันทรงอยู่ไม่ได้การอย่างนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กๆพออายุประมาณเจ็ดปี ถ้าเข้าไปในบ้านไหนมีอะไรสําคัญความรู้สึกมันบอกหมดถ้าเวลานอนคนที่บ้านนั้นเคยตายแล้วกี่คนเขาก็จะมาหากันทุกคนพูดพูดคุยด้วย <c oughs> เวลาที่จะพูดมาคุยก็คือว่าก่อนตื่นเล็กน้อยนมตื่นขึ้นยังไม่ตื่นสนิทตื่นไม่เต็มที่และขณะที่ก่อนจะหลับพอคล่ำเคลิ้มปิดสบาย ก็จะรู้หมดว่าที่บ้านนั้นมีอะไรบ้างมีคนตายกี่คนมีความสำคัญแค่ไหนมีเทวดารักษาหรือเปล่าเพราะเขามาให้เห็นทัางนี้ก็พระอาศัยคุณแห่งพุทโธนี่ต่อมาเมื่ออายุสิบสองปีเวลานั้นคุนจำเดือนไม่ได้ก็จะเป็นเดือนเมาษาพฤษภามิถุนารกรกฎา จำได้แต่เพียงว่าชาวบ้านเขายังว่างกันอยู่ที่จะเป็นเมษาหรือผูสภายังไม่ลงมือทำนากันแต่ว่าแดดร้อนจัดท่านพ่อไม่อยู่เห็นว่าสถานที่ที่มีอยู่มันน้อยเกินไปยึงไปหาจับจองที่ใหม่เพื่อที่พอ่อกห็ลูกผมอยู่กับท่านแม่เป็นสองคน วันหนึ่งนักสุราบาลทั้งหลายเขามากินเหล้ากันแต่ความจริงบนบ้านผมไม่มีใครเขากินเหล้าแต่ท่านแม่กับท่านพ่อท่านใจดีคนจะติดเหล้าก็าติดได้คนจะกินเหล้าก็ากินได้ท่าม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เลี้ยงดูปลูเสือให้กับแก้มหาให้นี่แสดงถึงน้ำใจดีของท่านท่านมีเมตตา ฤดูนั้นก็เต็มบริวามโรคร้ายระบาดในระหว่างนั้นอาหิวาตกะโกโรคเกิดขึ้นแก่บรรดาประชาชนทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตายกันเกลื่อนต่อมาก็เป็นเรื่องของคนสำหรับเรื่องนี้ก็เคยพูดมาแล้วในหนังสือขอไม่นำเรื่องรายละเอียดมาพูดยใหยปดเป็นบทเรียนสำหรับนักปฏิบัติเท่านั้น <c oughs> ไม่ใช่มุ่งหมายในการที่จะบรรดาเล่าเรื่องให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังในธรรมนองนิทานตอนวันตอนต้นวันนี้กินเขากินเหล้ากันเขาเอาเฮ้ยโขงมาพลาเมาื่อปลาแล้วเขาก็เริ่มกินเป็งกับเพ็นแก้มผสมรับเล้าก็เรียกผมไม่กินด้วยในเมื่อผมไม่กินเหล้า เขากินเหล้ากันผมก็กินแต่เค้ข่งพลากินไปจนเต็มอัตราวันต้นไม่มีอะไรสำคัญวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณแปดโมงหรือเก้าโมงเชา้าท้องทายอยาา่างหนักสามครั้งหมดแรงท่นานแม่ยนยให้ยาโบ ร, บราณกิน แล้วก็สั่งคนให้ไปตามท่านลวงมาโวนเพราะว่าท่านลวงนี่เป็นแพทย์ทั้งแผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันท่านใช้ตำรายของทายาแพทย์องศาสำหรับแผนเจา้จาะเจา้จาเจ้าคุณแพทย์องศาในความจริงท่านเป็นแพทย์ทั้งโบราณและปัจจุบันผมไม่รู้จากท่านแต่เห็นนั้งสีของท่านว่าอย่างนั้น ทิมบายตำ ร, แแแราแพทย์แผนโบราณสะมีแพทย์แผนปัจจุบันติดมาด้วยเข้าใจว่าท่านมีความรู้ทั้งสองอย่างท่านลุงของผมก็มีความรู้สองประเภททั้งแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบันทั้งนี้ตาผมเป็นหมอประจำองค์พระบาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านี่ขนาดวั น, น, นวันขณะเมื่อท้องไทยหนักท่านลงมา ผมตาลายเส็จแล้วในตอนนั้นท่านก็ให้ยาเข้าใจว่าจะเป็นยาบำรุงหัวใจใจเริ่มสมบายแต่ก่อนที่ท่านลงจะมาท่านแม่ก็เอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีความสวยงามมากเป็นพระที่ผมรักเป็นทองสีอารามมาตั้งไว้ข้างๆพอเห็นานัดแล้วก็จุดธูปกแกจะ ท่านบอกว่าลูกรักขอลูกจงมองดูพระจําภาพพระให้ได้แล้วก็ภาวนาว่าพุทโธพระจะช่วยลูกให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นคำแนะนำของท่านที่ท่านเก่งที่สุดแทนที่จะบอกว่าพระจะพาเจ้าไปสวรรค์ปณิพันธ์ คนที่ไม่เคยเห็นสวรรค์ไม่เคยเห็นนิพพานจะมีประโยชน์อะไรถ้่บอกกันแต่เพียงว่าพระจะทำให้โรคภยัคยใครเจ็บหายเวลานั้นร่างกายมันเจ็บหนักตัวทั้งตัวเจ็บไปหมดแม้ว่าแม้ว่วาผ้าที่จะนุ่งข้าวหมดก็ไม่ได้ค้าเข้มข่ก็ไม่ได้เพื่อเป็นการป้องกันความอาย ก็เพียงได่ ว, ว่าผ้าแปะว่ามันท้องเฉยๆคลุมขาตอนนี้รับรรดาท่านัางหลายจงพิจารณาหาความจริงว่าทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นนระหว่างจะตายมันมีทุกขนาดไหนความจริงความเจ็บปวดในร่างกายมันมีอย่างสายังมีมันมีอย่างสาหัส ในขณะที่ภาวนาไปภาวนาไปใจจับที่พระพุทธรูปลืมตามองหูวพระมีความชื่นใจกลิ่นหอมของธูป ก, กระเจะก็มีความทําให้สุขใจเมื่อภาวนาไปใจก็รักในพระเห็นพระสวยขึ้นสวยขึ้นตามลาดับลืมตามเห็นพระพระกรสวยหลับตาจิตใจยังนึกถึงภาพพระเป็นปกติ เห็นพระมีความสวยสดงดงามแต่ถ้าว่าความสวยของพระจะสวยขนาดไหนนั้นไม่สําคัญที่สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเวลานี้เวลาหมดไปแล้วใกล้ที่เป็นจะเวลาเจริญพระธรรมาฐานก็ขอหยุดเรื่องราวของผมไว้แค่นี้ก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระชินนวรผู้รับฟังจงมีแต่วความสุขสวัสดิ์ทพัฒนามงคล สมบูรณ์พูนผลมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกการสวัสดี